ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้่ใต้ร่มประโพธิญาณในวันนี้ก็กำลังพูดเรื่องตอนพระโพธิสัตว์ใบพิสูจน์ทิศดีที่มีการเผยแพร่ ก, กันอยู่ในสมัยนั้น<ม>ก็เรียกว่าพรหมจรรย์ที่มีองค์สี่ก็ได้พูดมาถึงสององค์แล้วนะฮะคือประพุตตบากับประพุตสวมอง นี่ในข้อต่อไปเนี่ยเป็นการประลบถึงรังเกียรติบาปหมายความว่าเป็นความเชื่อระดับที่วสัพพสิ่งเนี่ยมีปราณสถิตยอยู่อยู่ทุกคนทุกแห่งเพราะนแต่ต้องอะไรเนี่ยพร้อมจะเกิดบาปหมดเลยะดื่มน้ําก็บาปหายใจก็บาปากะพิบตาก็บาปอ้าปากก็บาปปราณมันเข้าไปโอ้นี้ค่อนข้างเครียดนะฮะเป็นลัทธิพวกนิครณ เพระพระพุทธเจ้าก็ไม่จช่พระพุทธเจ้านัา้นตอนนั้นคือเจ้าชายจิตตถาในเข้าไปทดสอบว่าพระไมจารย์นี้เป็นวัดในความประพฤติเกลียดบาปของเราคือเรานั้นมีสติเข้าไปข้างหน้ามีสติถอยกลับความเอนดูของเราปรากฏเฉพาะจนกระทั่งในหยดน้ําว่าเราจะได้ล้างผลานสัตว์เล็กๆที่อยู่ในชี่อันไม่สม่ําเสมอเลย หมายความว่าแตะตรงไหนไม่ได้เป็นบาปหมดเลยตอนเรามัดระวังะกว่าจะเหยียบจะถอยจะยิบจะหยิ บ, จ ะ, ยบจะช่วยจะยืนจะเดินจะอะไรแต่ะะไรแม้แต่หยดน้ําสักหยดหนึ่งมันก็มีปลาอยู่ในตรงนั้นมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในตรงนั้นก็ต้องสํารวมระวังอย่าให้สัตว์มันตายอย่างทีเคยเล่าเรืงความคิดของท่านนิครดนาะถบุตเนี่ยคือพวกตีระถังกรทั้งหลายนะพวกพวกระสายตรงเนี้ยสายของท่าน ในผลอัตบุตรสายองเชนคือเป็นผู้ที่ประพฤติในแนวรังเกียจบาป พ, พระมรจันทร์ข้อนี้ยนะเพราะท่านจะดื่มเฉพาะน้าร้อนแต่ตั้งคําถามว่าใครต้มละ่ะน้ำร้อนน่ะก็ท่านก็ต้มเองก็ท่านก็ต้มเองถ้ามันมีปราณอยู่มันก็ตายเรียบพุทไปแล้วนะก่อนท่านจะดื่มเนี่ยก็ตายเรียบพุทธแก คือไม่ถามต่อเป็นความคิดที่แปลกมันไปติดไปติดตังลักษณะอย่างนั้นเนี่ยเป็นไปไปติดตางเหมือนกับท่านยกตัวอย่างถึงลิงติดตังลิงติดตางเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะหยกักดักตังเอาไว้คือเป็นยางเห น, นียวๆเนี่ยวางเอาไว้แต่ลิงมันจะอาจจะเดินก็ได้นั่งก็ได้อะไรก็ได้นะมันเริ่มเจอตัวไหนก่อนก็ไม่รู้แหละแต่วมันจะติดสมมติว่านั่งปั๊บไปติดที่ตัง นะแล้วกแกก็เอาเท้าไปแกะเท้าก็ติดตัง้งเอามือเข้าไปแกะมือก็ติดไม่รู้จะทํำยังไงอย่างเหลือแต่ปากเลยก้มลงเอาปากกัดปากก็ติดอกีกเลยกลายเป็นภาพของการติดตัง้งเรานึกดูนะฮะมากระจุบอยู่ในที่เดียวกระตั้งหนึ่งปากหนึ่งสองมือสองเท้าหนึ่งก้นเนี่ยติดอยู่ในที่เดียวกันเป็นลักษณีการติดตั้งของดิงเป็นการยึดติดในสิ่งที่เราเรียกว่าศีะระประธรรมะเนี่ย มันจะยึดติดในลักษณะอย่างนั้นพอยึดติดมากแล้วในไม่กล้าวิเคราะห์ไม่กล้าใช้ปัญญาไม่กล้าใช้เหตุผลไม่กล้าวิจารณ์ลทัทธิแบบนั้นถือพระเจ้าจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดที้เราสังเกตจะกลัวมากจะไม่กล้าวิเคราะห์วิจารณ์คือไม่เคยตั้งปัญหาถามว่าสมมุติเราเออกพระเจ้าสร้างโลกพื้นฐานเราเชื่อพระเจ้าสร้างโลกถามพระเจ้าองค์ไหนาสร้างโลก มันก็หาหาข้อยุติไม่ได้แล้วเพราะพระเจ้าเยอะเหลือเกินแล้วให้คนนี่นับถือพระเจ้าด้วยกันมาทำความตกลงกันนะฮะให้สัตยาบันกันว่าต่อไปเนี่ยเอานะให้พระเจ้าชันเป็นคนสร้างโลกนะก็ไม่มีใครเอาอเถียงกันไปเถียงกันมาก็เกิดตลุมบอลกันเท่งนั้นเองเพราะว่าทางคนดังไม่ยอะมันก็กลายเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ไั้แก่นมันมีกันเล่าถึงแบบ อาจารย์ต้องการจะสอนคนให้เห็นให้เห็นว่าไอตัวอุบาติมันเป็นยังไงท่านอาจารย์หมาดใส่ไว้ในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็อุดรูไว้ก็บอกไว้ไเนี่ยมันเป็นตัวตัวอุบาติอย่าเปิดนะเปิดแล้วมันจะเกิดความเดือดร้อนการล่างพรางการประทุสลายกัน ทีนี้ต่างคนต่างก็ต่างอยากรู้นว่าอุบาทังคืออะไรพอ ร, รับหลังอาจารย์ก็เปิดจุก ด, ดูปงก้มลงไปดูในรูไม่ไผ่มันไม่เห็นนั่นนะี่ไอนอะไรก็เห็นเป็นดำดำตะคุ่มตะคุ่มคนนั้นก็ว่าอย่างนั้นคนนี้ก็ว่าอย่างนี้คนโน้นก็ว่าอย่างนู้ก็เฉียงกันในที่สุดก็ชกต่อยกันเลยตะลุมบอนกันเลยไม่ยอมกันโง่ด้วยกันทุกคนคือไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรด้วยกันทุกคนนั่นแหละ แปลว่าอาศัยยึดติดในความเห็นของตัวเองเป็นเรื่องความยึดติดในความเห็นของตัวเองก็คิดว่าตัวเองคือศูนย์ของความถูกต้องเพราะฉะั้นคนอื่นมาขัดขวางศูนย์ของความถูกต้องของเราก็ไม่ได้นะแล้วแกเบนนี่อาการไปต่อยกันก็คือความไม่ถูกต้องที่มันเพิ่มขึ้นมาจากความไม่ถูกต้องเดิมและก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนกับที่บุกยึดทำเนียบกันสองสาครั้งแกอ้างหน้าเฉยตาเฉยจึงถือว่าแปลกนะ จะเบอรนี้เป็นสิทธิของราษฎรที่จะกดดันรัฐบาลให้ปฏิบัติตามคำขอร้องของราษฎรโอ้โหใหญ่จังเลยเนะี่ยแล้วมันเป็นสิทธิอะไรในการบุกรุกสถานที่ราชการเพราะบ้านคนอย่าบุกรุกไม่ได้เลยย่าสิทธิอะไรมาบุกรุกสถานที่เขาจะถือว่าสถ า, านที่ของเราก็ไม่ได้นะ เพราะมันเกิดมาจากภาษีของราษฎรแล้วไม่ใช่ภาษียุคเราด้วยนะเป็นภาษียุคโบราณเพราะั้นปัญหาเหล่านี้มันมันจะเกิดติดเองแต่ว่าคนเหล่านี้จะไม่ถามต่อไปเพราะในแนวของนิครนที่ท่านเอาผ้าปิดปากปิดจมูกถามว่าทําไมต้องปิดท่านบอกว่ากลัวว่าเวลาหายใจหรืออ้าปากนี่ปรานมันจะเข้าไปและจะตาย เป็นเอ็นดูอย่างยิ่งเลยนะฮะต่อสัตว์ต่อประสัตเหล่านั้นก้อนเนี้ยอย่างที่พระโพธิสัตว์ท่านใช้ว่าเอ็นดูขนาดว่าหยดน้ําเพียงหยดเดียวนี่กลัวว่าสัตว์มันจะตายก็ได้ขนาะเดียวกันถ้าเดินกวาดไปข้างหน้าถรือไม่กวาดนะฮะพวกนิครณเนี่ยต้องมีไม่กวาดกวาดไปข้างหน้าจะถามว่ากวาดทำอะไรท่านบอกว่ากลัวว่าเดินไปก็จะเหยียบอกสัตว์มีปลาเนี่ตาย ทีนี้ท่านคิดโดยเหตุผลหรือไม่ล่ะ ท, ท, ท่านเคยคิดโดยเหตุผลหรือไม่ว่าไอการที่ท่านกวาดเนี่ยแล้วถ้าตรงนั้นมีปานจริงๆเนี่ยมันตายไปก่อนหน้านั้นแล้วนะก่อนที่ท่านจะเหยียบแล้วแล้วมันกินพื้นที่มากกว่าเยอะอยู่ที่เราเหยียบกระจุดที่เรากวาดเนี่ยมันพื้นที่มันต่างกันเป็แนแนวตรงนี้มันจะแนวไม่คิดเคยคุยกับพวกนับถือไปเจ้านะตอนนั้นมาบวชแค่สามพรรสาตอนนั้นเอง คุยกันนานมากคุยตั้งแต่แถวก่อนเลยไปจวบไปนะฮะไปหยุดคุยกันอยู่นน้นที่แถวข่อชุมทองลงไปทางพักใต้ก็คุยกันคุยกันถึงปุกลกิกของพระผู้เป็นเจ้าหลายตอนนะแต่เราก็เอกแปลกนะเราก็เป็นเด็กนะอายุเพียงยี่สิบสามยิบสี่เท่านั้นเองแล้วความรู้ก็ไม่ได้มากอะไร เป็นพระก็เรียนได้แก่น้ธรรมฉันเองเท่านั้นเองแต่ทำไมเราเรามีข้อสงสัยล่ะเจ้าพระเจ้านี่สร้างมนุษย์เองทั้งหมดเลยสร้างสรรพสัตว์สร้างโลกสร้างมันเรื่อยๆเลยนะฮะสร้างเรื่อยเลยคือไอ้คำว่าสร้างทั้งหมดนี่มันก็ตายแล้วนะ เพราะอะไรเพราะมันมีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายเป็นเชื้อโรคเป็นโรคเอดเป็นโรคระบาดเป็นนฮวาตระกโรคเป็นเชื้อมาเลเดียวเป็นสารพัดเลยปัญหาการสร้างก็มีปัญหาแล้วคือแสดงมาถ้าเป็นวิศวกรนะะก็แสดงว่ามือไม่ถึงเป็นจิตรกรก็ฝีมือไม่ได้มาตรฐานเพราะคนทั้งหลายในโลกเนี่ยไม่เห็นมันเหมือนกัน บางคนก็สร้างแต่พี่คนวิการก็งองงอง่งอ ง, ง, ง, งอง่ง ง, งอง่งงอ่งบางคนก็สร้างสวยๆเลยแต่แดงพระเจ้าลำเองทําไปตามอารมณ์นึกอารมณ์สุนทรีขึ้นม า, าจะทำประโยชนย้ยอยเลยพ อ, อารมณ์ไม่สุรีก็จับทําเอาเป็นผูเป็นตาก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วทําคอยหยากๆ ก, ก็สักแต่ว่าเป็นคนก็เสร็จแล้ว ทีนี้ปัญหาว่าเมื่อสร้างแล้รักไหมเขาบอกว่ารักเสมอการหมดเลยมันก็อีกหละมันก็มีปัญหาอีกหละเพราะว่าทําไมไปสร้างเชื้อโรคขึ้นมาเบียดเบียนทําลายมนุษย์ขึ่งเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าแล้ะโอ้มันก็สนุกมากนะยังนึกว่าเออถ้ามานั่งคุยกันตอนนี้สักวันเนี่ยคงสนุกตรงได้อะไรเยอะนะเพราะว่าคนเหล่านี้เขาจะไม่ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์เพรากลัวเคารพย่อเกรงนะะกลัว เพราะกลัวอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันเครียดเนะ่ยมันรู้ทำอย่างไงมันเหมือนกับไอ้ปัญหาบางอย่างที่พูดเรื่องมังสวิรัตนะ่พูดพวกพวกที่พูดเชิดชูมังสวิรัตแล้วต้องการจะชี้นาความคิดในสังคมก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักมังสวิรัติเพราะการได้พระฉันปลาฉันเนื้อนั้นก็เป็นบาปแล้วทีนี้ก็เพืจะดึงให้เห็นว่าพระมีส่วนในการฆ่าสัตว์ นะบ่อเท่าพระไม่ไม่ฉันเนื้อสัตว์คนก็ไม่ฆ่าสัตว์พูดอย่างกนในโลกนี้มีแต่พระเพื่อเห็นว่าพระมันอยู่ปลายแถวลิบๆเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยในกระบวนการ น, นเป็นกระบวนของผู้บริโภคนะทีนี้ถ้าเราไปเชื่อมโยงอย่างนั้นสมมุติว่ารถเกิดอุบัติเหตุจะเชื่อมโยงอย่างนั้นได้เนะี่ย คนที่ขายน้ํามันก็ต้องผิดคนที่สร้างถนนก็ต้องผิดนะคนที่สร้างรถยนต์ก็ต้องผิดคนขับก็ต้องผิดคนซื้อก็ต้องผิดบริษัทก็ต้องผิดเพราะมันมีรถโดนมันมีน้ํามันมันมีถนนมันมีคนขับมันจึงเกิดวัติเหตุเขาเรียกว่าไกลหมูนกรณีะไกลหมูนกรณีอันนี้ก็เหมือนกันนะนะ คือศาสนาพุทธเราจะเห็นว่าเราจะมองในแนวที่เรื่องบางเรื่องนี่มันมีก็สักแต่ว่าปีกรรมจึงเป็นเรื่องของเจตนาถ้าเราเอาเจตนาไม่เจตนาไปปนกันแล้วตายเลยไม่ต้องทําอะไรอ่ะนะเพราะอะไรเพราะแม้แต่เนี้ยสมมติว่าเข้าเนี่ยเข้ากว่าจะได้เน่แต่ละปีนี่สัตว์มันตายจํานวนมหาศาลเลยนะ ยังสงสัยนะบางปีในไอเม็ดข้าวกับตัวสัตว์ที่ตายไปเนี่ยอะไรมากกว่ากันโดยเฉพาะพวกมแมลงเล็ก ๆ, ๆน้อยๆตายเยอะแยะไปนะเขาไม่เอามาพูดหรอกเรื่องง่ามมันไกลหมูลกรณีพระเจ้าจึงทรงมาตัดเจตนาว่าเป็นกรรมเราเดินไปเนี่ยใคร ล, ล่ะพระก็ได้นะะเอาให้พระอรหันต์ยังได้เลยถ้าเดินไปก็อาจจะถูกสัตว์กายจะเหยียบสัตว์ตายได้ แล้วเคยมีปัญหาในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระจักกุบาลท่านเดินจงกรมหลังฝนตรกรอนใกล้รุ่งนะมาแรงเม้ามันก็ออกท่านไม่รู้อะท่านก็เดินจงกรมกับท่า น, รา น, า น, านพระอานารยตาบอดพระบอกฟ้องเราพระเจ้าว่าพระจักกุบาลเดินจงกรมเหยียบสัตว์ตายเปน็นนันมากพระเจ้ารับสั่งถามตัดประเด็นเลยนะ่ะถามว่าเธอเห็นหรือเปล่าพระจักกุบาลเหยียบ สัตวายเนะ่ยไม่เห็นไม่เจ้ากรรมสมอยจากรบารก็ก็ไม่เห็นไม่มีเจตนนะตาสมภาระฐานแต่ตรงนี้เราจะเห็นว่าเครียดแล้วพวกนี้คนเนี่ยก็จะเครียดในลักษณะอย่างเงี้ยหน้าตาท่านจะเครียดท่านจะเกรงมากเพราะว่ามันมันบาปเต็มไปหมดเลยรอบตัวไปหมดเลยซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีการที่ดี มีพระรูปหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเล่าแล้วยังนะไอันนี้คือลักษณะกลิ่นเหมือนกันเพื่อท่านไปนรักษาศีลด้วยการ น, นับข้อแล้วก็เกิดเครียดเกิดวิตกังวลวันนี้อาจารย์อภมาปรมาบวัอาจารย์ก็สอนวินัยสอนธรรมะสอนนปิธรรมกว่าเรื่อยไปไอ้ น, นี่ควรในนี่ไม่ควรในนี่เป็นธรรมไอ่ น, นี่ไม่ใช่ธรรมกว่านละท่านก็เครียดะ จะในที่สุดมองศาสนาเหมือนกับถูกพันธนาการเรียกว่าเหมือนกับใบบอลที่อยู่ใกล้น้านําแต่คึ้จะสกขาลาเพศออกไปเรื่อก็นำไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งถามว่าเป็นไงรู้สึกมันมากไปหรือแต่ก็บอกว่ามากไปพระพุทธเจ้าข่าเอาถ้าอย่างนั้นรักษาสักอย่างได้ไหมอย่างอื่นไม่ต้องรักษาหรอกรักษาสักอย่างหนึ่งเขาบอกว่าได้ ปุจจารักสั่งเป็นการเฉพาะท่านเลยนะฮะให้เธอรักษาจิตอย่างเดียวต่อไปเนี่ยนะะอย่างอื่นให้รักษาจิตอย่างเดียวอย่าคิดออกข้างนอกแล้วอย่างอื่นไม่ต้องรักษาเดินมาฮะไอ้นี้ก็คือที่จริงก็คือรังเกียจบาปตั้งเองแต่ว่าไม่รุงรังไม่เครียดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเดินก็กลัวจะเหยียบสัตว์ตายกินก็เหยียบสัตว์ตายอาไถ่หายใจก็เหยียบสัตว์ตายอาปากก็กลัวสัตว์จะตายอย่างนี้ก็ แย่แล้วแต่ว่าต้องทดสอบต้องพิสูจน์ต้องทดสอบนี่ก็คือพระมรรจันย์ประเภทที่เรียกว่ารังเกยนะียจบาสนะเกลียดบาปไม่รังเกยียจบาปประเภทที่สี่รับสั่งว่าสารีบุตรบรรดาพระมรรจันต์มีองค์สี่เหล่านั้นพระมรรจันย์นี้เป็นวัดในความสงัดของเราเรา นั้นเข้าอาศัยชายป่าแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ในการใดเราได้พบคนเลี้ยงโครหรือคนเลี้ยงปศุสัตว์หรือคนหาบจ้าหรือคนหาฟืนหรือคนที่หาผลไม้เป็นต้นในป่าในการนั้นเราก็เดินหนีจากป่าไปสู่ป่าลึกไปเรื่อยๆนะจากชัดสู่ชัดจากที่ลุ่มไปสู่ที่ลุ่มจากที่ดอนไปสู่ที่ดอนเขาดันเพราะเหตุอะไรเพราะเราคิดว่าคนเหล่านั้นจะได้เห็นเราเลยหรือเราก็จะได้เห็นคนเหล่านั้นเลย ลูกกอนสารีบุตรเปรียบเหมือนเนื้อที่เกิดในป่าเห็นมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็วิ่งหนีจากป่าไปสู่ป่าจากชัดสู่ชัดจากที่ลุ่มสู่ที่รุ่มจากที่ดอนสู่ที่ดอนแม่สันใดสารีบุตรเราก็ฉันั่นเหมือนกันในการใดเราได้พบคนเลี้ยงโคคนเลี้ยงวัสดุัตว์คนหาหญ้าคนหาฟืนคนที่ยวหาผลไม้เป็นต้นในป่าในการนั้นเราก็เดินหนีจากป่าสู่ป่าจากชัดสู่ชัดจากที่ลุ่มสู่ที่รุ่มจากที่ดอนสู่ที่ดอน ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเราคิดว่าคนเหล่านั้นอย่าได้เห็นเราเลยนั่นลักษณะตื่นภัยนะฮะแบบเนื้อสมันที่ตื่นภัยก็หลีกหนีตัวเองก็ไม่ต้องการเห็นแล้วก็ไม่ควรใหนเห็นตัวเองก็หนีลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆกไปได้แล้วนึกดูเป็นอาการแค่ๆคนตื่นกลัวแต่ว่าเขาถือปฏิบัติกันวันนี้คือสงัดอยิ่งๆเ สง่าแต่ลึกซึ่งจริงๆมันเป็นรูปของกายอยู่เวกนะถ้าเราเทียบกับกายอยู่เวก ค, คือกายมันสง่าเฉยๆแต่ใจมันตื่นภัยต้หวาดระแวงแล้วถามว่าบาดระแวงทําไมไม่ได้มีทําไมเราสร้างขึ้นเองทั้งหมดเดี๋เราคิดตัวเองเพราะว่าไปคิดว่าอย่าทํายังไงเราไม่เห็นเขาเขาไม่เห็นเราเห็นไหมเขาไม่เห็นเราเราไม่เห็นเข า, เาไอ เ, เ, เราไม่เห็นเขานี่พอทํานา แต่เขาไม่เห็นเราในทำยังไงเราไม่รู้ว่าเขามาเมื่อไหร่ก็อยู่ที่ไหนก็ไปที่ไหนก็ทำอะไรแล้วเขาเป็นใครเนี่ยเราไม่รู้อ่ะคน ร, รู้ก็ต้องหนีหนีหนีหนีห น, หนีลึกกันไปเรื่อยเพราะภาพการวิ่งเป็นลักษณะกระเจิงกระเจิงเนี่ยจะเห็นชัดนะว่า พอเห็นคนทั้งหลายเนี่ยก็ห น, นีจากป่าสู่ป่าจากชาติสู่ชาติจากที่ลุ่มสู่ที่ลุ่มจากที่ดอนสู่ที่ดอนก็ปายขึ้นเป็นภูเขากี่ลูกกี่ลูกกี่ลูกก็ไม่รู้แล้วคนข้างหน้ามีอีกหรือเปล่ามีก็ต้องหนีไปอีกอสมมุติวัานี้ไปทางขวาเจอทางขวาก็หนีไปอีกทางหนึ่งก็ไม่สงบตลอดอระยะเวลาเลยแต่เป็นวัดปฏิบัติที่คนในสมัยนั้นเขายึดถือประพฤติปฏิบัติกันอยู่จากนั้นก็รับสั่งเล่าถึงวิถีชีวิตของพระองค์นะ ที่เข้าไปบำเพ็ญตบะอยู่ด้วยวิธีการต่างๆให้ภาษาลิบุตรฟังแต่และเรื่องเนี่ยเช่นรับสั่งไว้ว่าครานเข้าไปในข้อของโคออกไปแล้วปราศจากคนเลี้ยงโคกินโคใหม่ของลูกโคอ่อนที่ยังไม่ทิ้งแม่มูดและกะระดของเรายังไม่หมดสิ้นไปเพียงใดก็กินมูดและกะระดิ่งคนตนเองนะขนาดเอาอย่างนั้นเลยตรมานแล้วก็เป็นเรื่องที่ น่าประทับใจอย่างหนึ่งนะพระพุทธเจ้าท่านพลาดอะไรเนี่ยท่านเล่าหมดเลยเล่าหมดเลยเป็นบริสุทธิ์จริงๆนแล้วไม่ได้คิดว่าจากการเล่าเช่นนั้นและทําให้พระเกียรติยศของพระองค์จะเสื่อมถอยลงไปแต่ประการใดแต่ต้องการให้ลูกศิษย์เนี่ยได้บทเรียนคนรุ่นหลังได้บทเรียนพยาจะทำอะไรให้พลาดจะทําทอะไรแบบโ ง, โง่ๆฉังเคยทํามาแล้วมันมันเรื่องราชการนั้นแต่ก็ปลูกไม่ตื่นเนะ หมาความมาตรงนี้ในะอินเดียยังมีอยู่ทั้งหมดเลยเป็นเรื่องที่อจจัศจรรย์มาก 2,500 กว่าปีมาแล้วยังเหมือนเดิมเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงจากนั้นก็สั่งเล่าว่าเรานั่นแลข้าวอาศัยแนวป่าอนาคกลัวแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่นี้เป็นความน่ากลัวแห่งป่าเหล่านั้นบุคคลผูใ้ใดผู้หนึ่งยังไม่ปราศจากราคะเข้าไปสู่ป่านั้นโดยมากขนพอง ดูก่อนสา บ, บิโด์ดเรานั้นแลในราศีที่หนาวระดูเหมันตั้งอยู่ในระหว่างเดือนสามต่อเดือนสี่ในสมัยนั้นมีหิมะตกในราศีเป็นเรนปานั้นเราอยู่ในที่แจ้งตลอดคืนอันนี้คือแนวของเ อ, อพวกนิโครนนะฮะพวกนิโคร น, นาฏบุตรเนี่ยโอชิเปลยเนี่ยนะฮะจิปเปลยเวลาหิมะลงเลยแกไปอยู่ทำการหิมะลเลยแดดจ้าเลยขึ้นไปตั้งสี่สิบกว่า นั่งกลางแดดเฉยหินร้อนแทบตายเป็นหน้าเป็นนอนอยู่บนหินเนี่ยนั่งอยู่บนหินเนี่ยอันนี้คือการท ร, รมานร่างกายโดยคาดหมายที่จะให้จิตมันเป็นอิสระจากพันธนาการตรงนี้ส่งไปท ร, รมานร่างกายกับความหนาวําการความหนาวจังหวังสังเกตนะฮมันบอกลักษณะทางภูมิศาสตร์ลักษณะทางสังคมลักษณะทางภูมิอากาศลักษณะทางศาสนาลทัทธิความเชื่อต่างๆโอ้บรรจุไว้มหาศาลเลย คือพระสุดตันต บ, บิดกเนี่ยมันเป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่คือไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะที่เราเขียนแต่ที่จริงมันเป็ น, ม, น, ม, นมันมีอยู่หลายมิติคือมิติที่ตรงกันข้ามมิติที่คล้ายคลึงมิติที่แปรเพียนมิติที่เหมือนกันกับสิ่งที่นำเสนออยู่ในขณะนั้นนั้นว่าในการใช้ชีวิตในลักษณะนี้ของพระโพธิสัตว์เนี่ย มันก็จนถึงจุดหนึ่งเมื่อเกิดความจริงคือจุดแค่ๆกระยาหนอนที่ปูดขึ้นไปในพระทัยของพระองค์ ấy. ก็บอกว่านักปราชญ์ผู้แสวงหาความหมดจดอาบแดดอาบตามค้างเป็นคนเปลือยทั้งไม่ได้ผิงไฟอยู่คนเดียวในป่าน้าโลรดังนี้ก็เป็นการเตือนสติของพระองค์ไ้เนี่ยมันน่ากลัวแล้วก็ไปทำในลักษณะของการทรมาร์างกายมันเกิด เกิดยานผุดขึ้นนะกระตุ้นเตือนพวกนี้ถ้าสูงแล้วเนี่ยเปล่งออกมาข้างนอกเขาเรียกอุทานแต่ตอนนี้ท่านๆยังเป็นสามัญชนดูนะเ้วก็รับสั่งว่าเราย่อมสำเร็จการนอนแอบยิงกระดูกศพในป่าชา้าพวกเด็กเลี้ยงโคเข้ามาใกล้เราโถมน้ำลายรถบ้างถ่ายปัสสาวะรถบ้างโปรยฝุ่นรถบ้างเราไม่เอาไม้ยอนที่ช่องหูบ้างเราไม่รู้สึกว่า ยังจิตเรามม่ค่อยเกิดในพวกเด็กเหล่านั้นข่คมความโกรธได้นะฮะบางเป็นตะ บ, บะแล้วก็ข่มความโกรธลงไปได้แต่นี่ก็คืออะไรล่ะคือทุกขกรริยาที่ทรงใช้ทรมานพระวรากายจนเจ็บปวดแสนสาหัสมากๆจะนำมาให้ท่านทั้งหลายดูเพื่อให้ดูโครงสร้างของสังคมยุคนั้นด้วยนะที่จริงตรงนี้มันมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าท่า น, นจะเสด็จออกพโนด เป็นลัทธิต่างๆที่มีการเผยแพร่กันอยู่ก่อนพุทธสมัยเนี่ยแล้วก็พระพุทธเจ้าเองก็เข้าไปพิสูจน์ทดสอบมันก็กลายเป็นหลักการอย่างหนึ่งที่มันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือจะทรงยืนยันหรือปฏิเสธอะไรก็าตามทิ้งเหล่านั้นจะต้องเกิดขึ้นจะสัมผัสตรงของพระองค์เองไม่ใช่เป็นวิธีการที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคุยเป็นนักวิทยาศาสตร์ ลุกจุ่งเรื่องสีวิไลวิสัยทัศน์อะไรต่ไรเนี่ยแต่ก็ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลใช้อารมณ์อนเนกอันนันมากมายเกือเกินโดยไม่ได้ใช้เหตุผลในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าเรายืนยันอะไรปฏิเสธอะไรเพราะไม่ได้มีการพิสูจน์ทดสอบนะอย่างที่หลวงพ่อท่านปฏิเสธเรื่องคบพิเมตรว่าพระอาจารย์ตอนเย็นไม่ได้แล้วลงมากระซิบถามอาจาว่าเออไอไอคบพิเมตรว่าคืออะไร คือท่านเองยังไม่รู้มันคืออะไรแต่ท่านบอกว่าไม่ฉันไม่ได้แล้วเพียงแต่ว่าชื่อมันฟังเป็นภาษาพรั่งด้านั้นเองในการจะฉันได้หรือไม่ได้เนี่ยมันต้องดูส่วนประกอบมันไม่ใช่เราพูดตัวเองเนะฮะไม่เป็นกฎเกณฑ์ของพระวินยัยดูที่ว่าส่วนประกอบของคำความเป็นข้ อ, อพิมพ์นั่นคืออะไรบ้างหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสีแล้วมันอยู่ในกาลิกประเภทไหนวินัยกําหนดว่ายังไงมันมีกฎเกณฑ์ของมัน ซึ่งทหากว่าพูดอย่างนั้นสังคมก็ยอมรับได้แต่นี้ท่านว่าเอาเองแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งคือท่านไม่รู้ว่าท่านปฏิเสธอะไรและทําไมจึงปฏิเสธเหตุผลมันจึงให้ไม่ได้เพราะในจุ่มจจตรงนี้เอาก็จริงเหตุผลมันมันให้ไม่ได้ถ้าเราไม่พิสูจน์วดสอบก่อนเป็นหลักการเป็นวิธีการของนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงนะแต่ว่านี่เหนือกว่าวิทยาศาสตร์ เพราะว่าเป็นการมาเป็นที่เหนือกว่ า, าศาสนาศาสตร์ในยุคสมัยตรงนั้นต่องฟังทั้งหลายใต้ร่มบรโพธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ได้วยเวลาแบบ น, นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูรในธรรมจะมมีแดะท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี